มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญหาอัตธรรมวัคศิขาปทะอปัญญาปณ ะ, ะปัญหาที่สองถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูเหตุไรไม่บัญญัติศิขาบทให้หมดคราวเดียว สมเด็จพระเจ้ามิรินปิ่นประชานิกรสุนทรปรีชามหากษสัตรมีพระราชองค์การตรัสถามปัญหาอื่นสืบไปว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชายานในการล่วงไปมีอาจารย์ของหมอผู้ประกอบยารักษาโรคอยู่เจ็ดคนชื่อนารัฐะคนหนึ่งชื่อธรรมันตริกะคนหนึ่งชื่ออังคีรัสะคนหนึ่งชื่อกะปิละคนหนึ่ง ชื่อการดัรติกามะคนหนึ่งชื่ออะตุละคนหนึ่งชื่อปุภากัจจายณ์คนหนึ่งอาจารย์เหล่านี้รู้อุบัติความบังเกิดขึ้นแห่งโรครู้โรคคณิธานคือรู้ว่าโรคชนิดนี้บังเกิดขึ้นแล้วต่อไปจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นและรู้ความเจริญความกำเริบของโรครู้สมุดฐานของโรครู้อาการของโรครู้รักษา และรู้ว่าจะรักษาหายหรือไม่หายตกว่าอาจารย์เหล่านั้นตรวจครั้งเดียวก็รู้อาการของโรคนั้นได้ทั้งหมดว่าโรคทั้งหลายมีประมาณเท่านี้จักบังเกิดขึ้นในกายนี้เป็นมั่นคงเสมือนหนึ่งว่าม้วนได้เข้ากลุ่มจับต้นเชือกได้แล้วก็ม้วนไปเป็นลำดับฉะนั้นอาจารย์เหล่านี้มิใช่เป็นพระสัพพันย์อยู่ ยังรู้อาการของโรคได้เป็นสายไปชนีส่วนพระตถ า, าคตเป็นพระสัพพันย์อยู่รู้อนาคตรู้ได้ทั้งหมดชะไหนเมื่อเรื่องมีประมาณเท่านี้บังเกิดขึ้นพระองค์จึงไม่เอาพุทธญาณเข้าจับทรงบัญญัติสิกขาบทให้มีประมาณเท่านั้นชอบแต่ว่าพระองค์จะทรงกำหนดบัญญัติสิกขาบทเสียให้หมดในคราวเดียวนี่อะไร ต่อเมื่อมีเรื่องบังเกิดขึ้นแล้วความเสียหายได้ปรากฏแพร่หลายไปจนถูกติเตียนนินทาต่างๆแล้วจิงทรงบัญญัติศึกขาบทแก่สาวกในการนั้นพระตถาคตเป็นเช่นนี้จะแปลว่าะไรผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนจิงถวายพระพรวิสัชนาว่าญาตะเมตังมหาราชะดูกระบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสรศิฐ การบัญญัติสิกขาบทคาดหน้านั้นพระตถาคตรทรงทราบเข้าใจได้ดีว่าเมื่อมนุษย์ทั้งหลายตีเตียนโพลธนาอยู่พระองค์ควรจะทรงบัญญัติสิกขาบทในคราวเดียวนี้ให้ครบห5 0าสิบกขาบทกว่าๆแต่พระองค์ทรงพระปริวิตกว่าถ้าอาตมาจะทรงบัญญัติสิกขาบทตั้งร้อยห้าสิบกว่าในคราวเดียว ชนทั้งหลายจะสะดุ้งใจปลีตัวออกต่างๆจากการปฏิบัติไม่เชื่อฟังก็ชนเหล่าใดไม่เชื่อคําเราชนเหล่านั้นจะมีอบายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าอันหนึง่งแม้ผู้ที่อยากจะบวชในพระพุทธศาสนาก็จักไม่บวชเสียเพราะท้อใจว่าคิดที่จะต้องทําในศาสนานี้มากนักยากที่จะกระทําได้ อาศัยเหตุนี้พระมหาหมุนีบรมสุคตเจ้าจึงปล่อยไว้ไม่ทรงบัญญัติสิกขาบทก่อนต่อมีเรื่องบังเกิดขึ้นจึงปลุกให้รู้สึกด้วยธรรมเทศนาเมื่อมีความเสียหายปรากฏฟุ้งขจรไปแล้วจึงบัญญัติสิกขาบทการที่พระตถาคตไม่ทรงบัญญัติสิกขาบทเป็นข้อกฎข้อบังคับไว้ก่อนกระทาผิดนี้ มิใช่เป็นด้วยพระองค์มีความรู้ไม่เท่าไม่ทันการอนาคตพระองค์มีพระสติตั้งมั่นรอบคอบต่อเหตุผลทั้งประกอบไปด้วยพระกรุณาในประชาชนดังวิสัชนามาชนีนะบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีเมื่อพระนาคเษนถวาวิสัชนามาดังนี้ก็มีจิตชื่นชมโสมนัต ทรงอนุมัติถ้อยคำของพระเถระและตรัส ช, ชมว่าเอวะเมตังพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนากเกษนผู้ปรีชายานการทั้งนี้อาจเป็นได้เช่นนั้นตามที่พระผู้เป็นเจ้าชี้แจงแสดงแก้ไขมานั้นโยมเห็นแจมแจ้งกระจ่างตลอดแล้วชนทั้งหลายได้ฟังว่ากิจที่จะต้องทำในาศาสนานี้มีมากดังนี้ ย่อมจะเกิดความสะดุ้งท้อถอยจะไม่มีใครบวชในชินศาสนาแม้สักคนหนึ่งการที่พระตถาคตไม่ทรงบัญญัติสิกขาบทคาดหน้าก็เป็นเพราะเหตุนี้พระผู้เป็นเจ้าแก้ดีแก้ถูกโยมเห็นด้วยทุกประการโยมจะทรงจำไว้ดังในยะที่วิสัชนามานี้สิกขาปท ะ, ะอปัญญาปณ ะ, ะปัญหาเป็นคำรบสอง จบเพียงนี้